ธรรมบทแปลเรื่องที่135หเรื่องอุบาสกชื่อจุลกาลข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบอุบาสกชื่อจุลกาลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาวะกระตังปาปังเป็นต้นตอน จุลการถูกหาว่าเป็นโจรความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกโจรขุดอุโมงค์อันเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้วจึงทิ้งขอพันธะไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมกถาในวิหารตลอดราตรีเดินออกจากวิหารแต่เช้าตรู่มาสู่กรุงสสวัตถีแล้วก็หลบหนีไปโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องมหาการนั่นแล พวกมนุษย์เห็นเขาแล้วพูดว่าคนนี้ทําโจรกรรมในราตรีแล้วทําทีเหมือนฟังธรรมเที่ยวไปท่านทั้งหลายจงช่วยจับมันไว้ดังนี้แล้วโบยอุบาศกนั้นตอนจุลการรอดตายเพราะนางกุมภธาสีช่วยหมู่นางกุมภธาศีเดินไปท่าน้ำประสบเหตุนั้น จึงกล่าวว่านายท่านทั้งหลายจงหลีกไปท่านผู้นี้ย่อมไม่ทำกรรมเห็นป่านนั้นดังนี้แล้วให้มนุษย์พวกนั้นปล่อยเขาแล้วเขาไปวิหารบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับก็กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้ชิพหายแล้วกระผมได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกลุ่มพระทาสีภิกษุทั้งหลาย กราบทูลความนั้นแด่พระตถาคตตอนจะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเพราะตนพระสัสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลกาลอุบาสกได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกลุมพระทาสีและความที่ตนไม่ใช่ผู้ทำรรด้วยว่า ธรรมดาสัตว์เหล่านี้ทำบาปกรรมด้วยตนแล้วย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองในอบายมีนรกเป็นต้นส่วนสัตว์ทั้งหลายทำกุศลแล้วไปสู่สุขติและนิพพานย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอัตนาวัฏขตังปาปังอัตนาสร่งกิริตสติ อัตณาอากรตังปาปังอัตณาวะวิสุทติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโซทะเยบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ทำด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ตอนแก้อัดความแห่งพระคาถานั้นว่าอากุศลกรรมเป็นกรรมอันผู้ใดทาแล้วด้วยตนผู้นั้นเมื่อเสวยทุกในอบายสี่ชื่อว่าย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองส่วนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทําด้วยตนผู้นั้นเมื่อไปสู่สุคติและนิพพาน ชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์กล่าวคือกุศลกรรมและความไม่บริสุทธิ์กล่าวคืออกุศลกรรมเป็นของเฉพาะตนคือย่อมผลิดผลเฉพาะในตนของสัตว์ผู้ทาทั้งหลายบุคคลอื่นทาบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้คือให้หมดจดไม่ได้เลยให้เศร้าหมองไม่ได้เลย ในการจบเทศนาจุลการตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องอุบาสกชื่อจุลการ